พระธรรมเทศนาแผ่นที่56ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15กันยายน2556มีชื่อเรื่องว่าเต่าหาาผงก่อนอื่น ขอประกาศให้คณะสัตยาติยมลูกหลานทุกคนหลวงพ่อได้สร้างได้ทํารูปเหมือนรูปเหมือนหลวงปู่มั่นรูปเหมือนหลวงตามหาบัวรูปเหมือนหลวงปู่ล่าและก็รูปเหมือนคุณแม่ชีแก้วสองรูปหินแกะสลักก็คือหินในช่างปูก้อนน่ะ ในช่างผู้ก้อนที่แกะหินขาวที่พระพุทธรูปนอนปางปรินิพานเราหลวงพ่อก็ให้แกะรูปเหมือนทั้งห้ารูปที่จังหวัดเชียงรายทตนี้นก็เสร็จแล้วละ่ะส่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วทั้งห้า 5, 100, รูปรวมละห้าแสนนะกันนะศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานแพงพอสมควร ลูกของคุณแม่สองลูกลูบละห้าแ 0,000 นรวมทั้งค่าหินด้วยค่าหินค่าแกะรูบหลวงปู่มั่นลูบหลวงตาลูบหลวงปู่ล่าแล้วก็ส่งแล้วก็ลูกของคุณแม่ชี้แก้วก็ส่งไปที่เจดีของคุณแม่ที่มุกดาหารบ้านห้วยทรายที่เจดีเอาไว้ข้างบนเอารูปไฟเบอร์ที่อยู่ข้างบน ลงมาไว้ข้างล่างแล้วก็เอารูปหินไว้แคลาลาหินขาวประเทศอิตาลีเนี่ยที่แกเ่เอาไปไว้ข้างบนแต่ก็หนักนะหนักประมาณเจ0ดแดร้อกิโลไม่ใช่ธรรมดากว่าจะาขึ้นไปได้ก็ต้องใช้คนเกือบยี่สิบคนใช้คานหามแล้วก็ยกทั้งหามทั้งยกขึ้นได้ก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะหลายคนอ่า <c oughs> เป็นคนแบกน้ำหนักพอแล้วก็แต่ในวัดของเราส่งมาทีหลังก็ะยุดน่แหละอยู่ที่ศาลาที่ฉันน้ำของพวกเรานั่นะที่หลวงพ่อทาเป็นห้องไว้ห้องหนึ่งสำหรับห้องใส่รูปของครูบาอาจารย์มีรูปห ล, ลวงปู่มั่นหลวงตาหลวงปู่าคุณแม่ชีแก้วสี่รูปอยู่ด้วยกัน แต่ในหลวงพ่อก็ได้ปรบกับคณะสัตยาธิยมลูกหลานทุกคนที่มาวัดหลวงพ่อแล้วก็วันที่19บเก้เป็นวันพระเป็นวันทําบุญฉลากกรพัดคือทุกปีของเราเราก็ทําบุญอยู่แล้วคือข้าวประดับดินเดือน9ดับแล้วก็วันเดือน10เพนก็คือวันที่19พวกเราก็ทําบุญตามประเพณีอยู่แล้ว ในวัดของเราทุกปีแต่ปีนี้มีพิเศษขึ้นมาก็คือจะมีการบรรจุพระธาตุหรืออัฐิธาตุของสีพระอาจารย์ที่บูลพาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถื อ, อ, อแล้วก็หลวงปู่มั่นที่คือเขาเจาะเขาเจาะไว้ทางหลังที่จะใส่อัฐิธาตุหรือพระธาตุพอเจาะเสร็จแล้วเราก็มีตลับ แล้วก็สอดเอเข้าไปจากนั้นก็จะมีหินเขาแกะเตรียมไว้แล้วปิดใส่กาวอีพ็อกซี่ใส่ ก, า ว, e xy, สกาวอย่างดีปิดไว้เลยในองค์แต่ละองค์แต่หลวงปู่มั่นเราได้เกสาของท่านจากคุณหลวงกรุงเทพหลวงพ่อลงไปหลวงพ่อก็อคิดเหมือนกันจะเ อ, อจะได้อ่า อธิธาต์หรือพระธาตุของหลวงปู่มั่นที่ไหนน้อนะหลวงพ่อก็คิดในใจเพราะว่าได้ลูกหลวงปู่มั่นมาแล้ววันดีคืนดีคุณหลวงก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ผมมีเกศาหลวงปู่มั่นเขาให้ผมนานแล้วแหละผมก็จะถวายท่านอาจารย์โอ้ดีดีดีดีดกำลังต้องการอยู่พอดีพอดีก็เลยใจะใส่อธิธาต คือเกษาของหลวงปู่มั่นบรรจุเข้าในตรับแต่ตรับตัวนี้ก็มีผู้จะถวายหลวงพ่อคิดว่าที่แรกจะถวจะสั่งเป็นตรับทองคำน ะ, ะก็มีผู้ถวายก็ไม่มีปัญหาน้ําหนักบาทสองบาทแต่พอหลวงพ่อสั่งสั่งออกไปแล้วล่ะไม่ข้ามคืนหลวงพ่อสั่งระงับเพรหลวงพ่อคิดว่าอูไม่ได้ถ้า มีตลับทองคำเข้าไปเนี่ยลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าเดี๋ยวจะมาทุบพระว่ามีทองคำอยู่ในองค์พระเดี๋ยวก็จะเสียหายเกิดขึ้นในอนาคตหลวงพ่อก็เลยใช้ตลับเสเตนเลสขาวๆนะธรรมดาราคาไม่มีไม่มีราคาถูกคือไม่ได้เอาใช้ของราคาแพงกลัวจะเป็นอันตรายต่อ องพระเนี่ยละวันที่19พอเราชันจังหันเสร็จแล้วพระสงสารจังหันเสร็จแล้วศรัทธาญาติโยมพร้อมกันทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะขึ้นทําพิธีนะ่ะที่ชั้นน้ำที่ห้องพระทําพิธีก็คืออะไรคือไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะทําขอคาระวะก่อน เรยกว่าขอคารวะทีหลังแต่สุดแท้แต่จะตกลงกันจากนั้นก็พอทำวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พวกเราก็จะสวดอิทธิปิโสจะเอากี่จบคงจะสี่องค์คงจะเอาองค์ละองค์ละสามจบสี่สามสิบสองสิบสองจบหรือว่าจะเอาแปดจบก็สุดแท้แต่แต่แท้แต่จะลงตกลงกันเดี๋ยววันนั้นก่อน สวดทั้งพระสงฆ์สวดทั้งคณะสัท ย, ยาญาิโ ย, ยมทุกหมู่เหล่านะ่ะสวดพร้อมกันอิติปิโสพระวาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิ ช, ชาจรณนะสัมปันโนอ่จากนั้นหลวงพ่อจะเป็นผู้บรรจุอ่าตลับเข้าที่ตรงที่ทารูไว้จากนั้นก็ปิดด้วยกาวเพื่อตกไปก็เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของ พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายเพื่อเป็นชริเพื่อเป็นมงคลเพราะนั้นถ้าผู้ใดว่างนะวันที่19เป็นวันเดือนสิเพนเสร็จฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะเริ่มพิธีทำบุญจุดนั้นด้วยบรรจุพระธาตุในสี่พระองค์ที่นั่งเรียงกันอยู่นี่ละขอประกาศ จัตธาญาตโยมลูกหลานทุกคนจะรับทราบ พ, พร้อมหน้ากันและก็พร้อมการท่าว่าจะบอกใครอีกก็ได้ผู้ที่อยากจะมาร่วมที่ไม่ได้ดินไม่ได้มาวัดใ น, ในช่วงนี้ก็บอกต่อตกันเออหลวงพ่อทันยบันจุอธิธาตพระธาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์สี่องค์้ะหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าคุณแม่ชีแก้ว นี่แหละขอให้บอกต่อกันคูใดมาได้ก็มาถ้ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะยกมือปนมมือใส่หัวละ่ะเออซาธุอนโมธนาด้วยที่ครูบาอาจารย์พี่น้องประชาชนปู่ญา ต, ติยายญาติมิตรสหายได้บรรจุพระธาตุอธิธาตุในองค์ของหลวงปูค่ครูบาอาจารย์เท่านั้นก็พอนะไม่ต้องมามาไม่ได้นะ ไม่ใช่ว่าทุกยากลําบากหลวงพ่ออินให้มากอยากจะมานะตามที่หลวงพ่ออินขอร้องอนะ่ะไม่ใช่นะต้องดูตัวเองก่อนก่อนจะมานะแล้วก็เมื่อวานวันก่อนหลวงพ่อได้ไปงานวันเกิดของหลวงพ่อจีรวัตรและก็วันนี้เป็นวันที่สิบภาหลวงพ่อไปวันที่สิบสามนะวันที่สิบภากันยายนพุทธศักราช25งพ้าห้าสิบหวันนี้ แต่หลวงพ่อไปแต่วันที่สิบสามไปสวดมนต์จากนั้นหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมเป็นองค์เทศองค์แรกพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมกบมากนะวันที่สิบสามสิบสี่กลับมาเมื่อวานเนี่ยไปนอนค้างคืนหนึ่งหลวงพ่อได้เทศที่วัดของหลวงพ่อกีรวัดมีคนฟังมากอยู่เมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อบอกว่า พวกเราท่านทาั้งหลายให้สำรวมปากให้ระวังปากหลวงพ่อก็บอกเพราะว่าการที่จะยุยแยงทำให้แตกแยกกันทำให้สงแตกแยกกันเป็นบาป ก, กรรมเพราะว่าทำให้คนยุยแยงกันแตกกันแต่ในใกฎหมายนี่ด่าใครดูถูกใครโทษประหารนี่ มีหรือเปล่ากฎหมายเนี่ยวะแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าน่ถึงโทษประหารนะแค่ว่าโกหกเนี่ยมีสิกขาบทหนึ่งในปาราชิกสีน่นภิกษุอวดอุตริมนุ ษ, ษธรรมคือทาอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องปาราชิกนะอันนี้ก็คือโทษประหารถึงที่สุด ใครอวดอุตริมนุษยธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์คือเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าว่ะข่าในสําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะข่าได้เป็นพระสกทาคานาคาพระโสดาบันนะนะอย่างนี้อวดเขาเพื่อจะจะให้เขานับถือเลื่อมใสศรัทธาแต่ตัวเองไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพระอย่างนั้นอย่างไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระสกทาพระอนาคาพระสกทาคาพระโสดาบัน แต่อวดเขาอยากจะให้เขานับถือเลื่อมใสรู้แก่ใจว่าข้าไม่ได้เป็นพระอย่างนั้นแต่อยากจะอวดเขา เ, เพื่อหลอกลวงเขาโทษถึงปลาลัชิกนะไม่ใช่โทษ ธ, ธรรมดาแต่กฎหมายบ้านเมืองมีหรือเปล่าที่ว่าออกทางวาจาแล้วโกหกคนอื่นแล้วโทษประหารนะไม่น่าจะมีแต่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีะ เพราะนั้นพวกเราเรื่องการพูดหรือการกล่าวสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสิ่งที่ทําให้หายยนะน่ะสำหรับหมู่พวกเพื่อนตัวเองให้ระวังถึงจะเป็นคําจริงก็จริงพูดออกไปและเป็นความจริงแต่ว่าพูดออกไปแล้วทําให้เสียหายทําให้คนอื่นเดือดร้อนทําให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับวาจาของตนเอง จริงเรา่นี้ก็ให้ระมัดระวังอย่าไปใช้วาจาไปในทางที่สังหารด้วยว่าทำร้ายทำลายคนอื่นเขาเนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านยังยกเป็นชาดกขึ้นมาท่านบอกว่าการที่พูดไม่รู้จักกาละเทศะทำให้ตัวเอง เดือดร้อนอาตายได้พระสงฆ์ก็เลยถามพระพุทธเจ้ากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระพุทธเจ้าข่าที่ว่าพูดขึ้นไปแล้วไม่ลุกจักกาลเทศาทนะํทำให้ตัวเองตายพระพุทธองค์บอกว่ า, าพวกเธอทั้งหลายอยากจะฟังเหรือสมัยหนึ่งมีหง มีหงสองตัวอา่ามีหงสองตัวมีกำลังมากแล้วก็บินออกจากถ้ำถ้ำของหงแล้วก็ไปกินอยู่ในสระน้ำป่าฮิมพานอาพอไปกินเม็ดเมล็ดยาแล้วก็ลงไปกินน้ำแล้วก็เห็นเต่าทุกวันทุกวันใจเงียเงียบเงีย ม, ม, ยม อ, อยู่ในนั้นเต่าหงเลก็เลยถามเต่าว่า เต่าเธอมาอยู่ที่นี่นานแล้วเนี่ยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไหมหงสองตัวถามเต่าเต่าเขาบอกโอ้ก็อยากจะเปลี่ยนเนี่ยถ้ามีที่ดีกว่านโในป่าหิมพานอยู่ข้างในเล้ว น, นะเป็นสระร่มรื่นเป็นสระน้ำใสสะอาดอาวัชพืชทั้งหลายแหละอาหารอุดมสมบูรณ์อาหารเต่านะผักบุ้งผักอะไรเต็มไปหมด ถ้าเธออยากจะไปแต่ก็ไปได้แต่โหยผมไปยังไงไปไกลป่าหิมาพานขนาดนั้นแต่ขนาดอยู่ในสระน้าําเท่านี้กัผมก็ยังไปลําบากหงบอกว่าเอาเถอะไปได้แล้วเราจะพาไปแต่ข้อสําคัญเธออย่าอย่าพูดอย่าอะไรทั้งหมดถ้าเชื่อคําของเราเนี่ยเธอก็ไปได้ ว่าเธอไปพูดผิดการผิดสถานที่เท่านั้นแข้าไม่รับรองนะเต่าได้เพียงแต่ไม่ให้พูดผิดการสถานที่เท่านั้นอ่ะเพียงแค่นั้นก็ได้ถ้าพวกท่านจะปลาณาีกรุณาที่จะให้ข้าพระเจ้าเปลี่ยนบรรยากาศาไปเปลี่ยนสะใหม่แม่นหนองน้ำใหญ่เอเอา เตรียมตัวนะวันพุ่งนี้นะหงสองตัวก็บอกจากนั้นหงหงสองตัวก็ไปหาไม้ไผ่ไปคาบไม้ไผ่ที่แข็งแข็งที่เป็นแข็งแข็งจากนั้นหงสองตัวก็ได้มาคาบไม้ไผ่มาก็ได้บอกให้เต่านี่นะเต่าเจ้าจงคาบตรงกลางคาบไม้ไผ่ตรงกลางอเราสองตัวนะ่ยจะคาบ คนและส้นกันสะซนไม้แล้วจะบินขึ้นอากาศแต่เจ้าห้ามพูดห้ามอะไรเด็ดขาดนะถ้าพูดลข้าไม่รับรองในชีวิตของเจ้านะเต่าก็เออได้เอาถ้าได้ก็ป่ะพอตกตอนเย็นก็กินอาหารอุรมสมบูรณ์ด้วยกันหมดแล้วก็เต่าก็เอาคาบเต่าก็ค า, า, าบตรงกลางใ หงสองตัวกับคาบโคโนซอนกันกบินขึ้นอากาศบินบินบินไปเท่านี้กัมันก็ผ่านป่าหลวงพงไพ่พอในสุดผ่านกรุงพาราณาสีผ่านกรุงะผ่านกรุงพาราณาสีไปเด็กทักหลายเนี่ยเขากำลังเล่นสนุกสนานอยู่ในเมืองเหมือนกับแถวบ้านเราเล่นกีลงเล่นกีฬานี่แะเท่านี้เขาก็เห็นมองขึ้นไปไปเห็นบนอากาศ ก็เห็นของแปลกใช่ไหมเน อ, อนกหงส์สองตัวเนี่ยหามเต่าใช่ไหมเแล้ะ ว, ว่าเต่ามันแขวนคดขาเข้าไปแล้วก็คาบไม้ไผ่อยู่ในอากาศคนทั้หลายเขาก็บอกว่าเห็นไ้มเห็นไหมเห็นไห ม, เ, หไหมเอเต่าหามหงส์เต่าหามหงส์ไะเต่า ห, าหัาาหาบหงส์ออคล้ายๆว่ามันเต่าอยู่ตรงกลางใช่ไหมล่ะเหมือนกับหาบเนี่ย เต่าก็เลยนึกโมโหขึ้นมาทีนี้มันคนนะมันพูดไม่ถูกเนี่ยมันน่าจะบอกว่าหงหามเต่าอ่ามันจึงจะถูกนะอไปที่ไหนเขาก็ว่าเต่าหาผงเต่าหาหงว่างั้นเพราะมันเต่า อ, อยู่ตรงกลางฮนะอทีนี้ก็เลยเต่าก็เลยอ้าปากขึ้นมาสู้พูดไม่ถูกอพูดต้องวัดเต่าหาหงเออหงหามเต่าที่ เอมันจึงจะถกพออ้าปากตอนนั้นนะแหะเต่าตอนนั้นก็หลุดออกจากไม้ทันทีมันอ้าปากเน้มันอยากจะพูดตัวนั้นพูดพูดไม่รู้จาักการสถานที่ออ้าปากขึ้นมากัะเต่าตอนนั้นก็เลี้วลีเลวลีลงมาจากบนอากาศเลยกระแทกตรงดินแขน็งแข็งแก่แนแก่นใช่ไหมปังเลยเพราะนั้นพวกเราเห็นมาหลังเต่าทุกวันเนี่ยมันเป็นเป็นแตกเป็นรล้วเป็นลอยเนะี่ยเพราะมันหลังแตกแต่สมัยนู้นนะ่ะ เออมันตกมันหงายหลังตกลงมาจากท้องฟ้าเออหงก็พยายามโดดออกไปเพื่อจะไปรองรับเต่าเพื่อไม่ให้มันตกแรงเกินเกินไปมันก็รับไม่ทันนะสิใช่ไหมพอพอได้สุดหงก็เลยโอ้ช่วยไม่ไดเ้เราก็บอกแล้วอย่าพูดอย่าพูดสงสองตั ว, ลวเลยบินดุดด้วยความเสียใจเพราะด้วยเจตนาดี เขาก็เลยกลับไปสู่ป่าหิมพานตามเดิมแต่อตันนั้นก็เลยหลังแตกตายอยู่ในลานกลางเมืองกรุงพาราณสีนี่แหละนิทานลิชานกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่จะพูดณนะสถานสิ่งใดควรหรือไม่ควรอย่างไรต้องให้ควรดูซะก่อนว่าการพูดออกไปนะีจะเสียหายไหมจะทำให้คนอื่นตัวเองเดือดร้อนไหม ถาว่าพวกเราได้คิดจะก่อนก่อนที่จะพูดนะใครควรจะก่อนก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทําเรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นนะแต่ถ้ามีอะไรหลวมปากก็พูดไปเรื่อยพามพามไปเรื่อยใครจะเสียหายยังไงใครจะถลเดร้อนอย่างไรนั่นแหละตัวเองนั่นแหละจะเลือร้อนนะเหมือนกับเ ต, าต่าตัวนั้นนะ่ะพูดผิดการเวลาพูดผิดสถานที่ หงเขาก็เตือนแล้วว่าอย่าอ้าปากอย่าพูดนะอให้ไปถึงที่ซะก่อนจะว่าอะไรังค่อยว่าเต่ามันอดไม่ได้ เ, เออมันอ้าปากผิดการสถานที่ทั้งที่ตัวเองอยู่ในอันตรายยังไปอ้าปากอไปต่อ ว, ว่ากับชาวบ้านเขาบอกว่าเต่าหาผง่ะชาวบ้านว่าเต่าหาผงว่ามันอยู่ตรงกลางไนงะ แต่ทงที่แท้แล้วมันเต่าก็เลยอยากจะบอกความจริง อ, อยากจะบอกความจริงให้ชาวบ้านชาวเมืองเขารู้ว่าไม่ใช่ฆ่าหาผงาหงหามข่าพระเจ้าต่างหากนี่แหละอยากจะพูดความจริงแต่ตัวเองก็เล ย, ยตายตายเพราะพูดความจริงเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทนทุกคนนะสิ่งไหนก็ตามที่เราอยู่ในชุมชนสังคมประเทศชาติทุกวันนี้อย่างพวกเรา ได้ยินเออทางรัฐบาลเขาเนี่ยป้องรองป้องรองจะไปปองรองได้ยังไงไม่รู้สื้ออันไหนขาวอันไหนเอามาถล่มกันอยู่เรื่อย อ, อปากเป็นพิษปากเป็นภัยปากไปอยู่ในความสงบถ้าทุกคนส้ำรวมปากซะมันก็เดินไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถ้าทุกคนไม่ระวังปากอย่างนี้แหละเหมือนกระเต่านะั่นเสียหายทั้งประเทศชาติบ้านเมือง มีอะไรต้องเปิดเผยไปเปิดเผยได้ยังไงบางเสียงบางอย่างเขาเปิดเผยได้แต่บางเสียงบางอย่างก็ต้องเป็นความลับในตัวของเราทุกคนก็เถอะจะไปเปิดเผยหมดทุกอย่างได้เหรอก็ต้องเป็นมีความลับสำหรับตนเองสำหรับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงญาติโก้โทิกาคนไหนควรจะรับรู้รับทราบมันก็ต้องมีไม่ใช่จะเปิดเผยให้ทั่วบ้านทั่วเมืองเขารู้หมดทุกอย่าง ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องความเสียหายเกิดขึ้นอย่างไงเสียหายไหมหรือไม่เสียหายถ้าไม่เสียหายก็ไม่เป็นไรเปิดเผยสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเปิดเผยได้แต่บางสิ่งบางอย่างไปเปิดเผยก่อนได้เลยอันตรายอย่างพญานาคไปเปิดเผยความลับให้ตัวเอง ก็เดือดร้อนทั้งตระกูลเดือดเป็นเป็นยังไงตามปกติพญานาคเนี่ยพญาคดเวลาจะไปจับนาคพอแหวกน้ํามหาสมุทรพออปีกกระพือกกระพือแหวกน้ำนํำพอแหวกน้ําจนน้ําแห้งที่ว่าน้ําขึ้นน้ําขึ้นสี่น้ํามีคงจะลักษณะอย่างงั้นแหละ <c oughs> นิทานโบราณนะพอกระพือปีกจะได้พญานาคก็ คอขึ้นมาก็สู้เอ้ยสู้ที่จะกัดคด เ, เหมือนกันเถอะเออเหมือนกับงูนะ่ะที่เราจะไปนั่นก็ชูคอขึ้นมามันจะสู้เออแต่ในพยาคดก็โดดเพก็จับคอจับคอคอนากนะ่ะแต่ที่จะสู้กับพยานาคที่นักจะสู้กับพยาคนะุดน่ะมันกลืนก้อนหินเข้าไปในท้องเลยกลืนก้อนหินให้หนักหนักที่สุดเหมือนกันเนถะ เออเกินเข้าไปในท้องพอพยาคุดจับคอเป็นไลากขึ้นไปมันขึ้นไปไม่พ้นเพราะว่า น, นากมันเกินก้อนหินใอ่พยาคุดนี่น้ําท่วมตายไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหรอ่าทีนี้พยาคุดก็อ่อน อ, อกอ่อนใจเอ๊ะทาไมตะกอนจับลากคอขึ้นไปแล้วอนากตัวไหนเนี่ยเอาไปกินได้ทุกตัวแต่คราวเนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนี้ พระญาพระยาคดลำพึงลำพันจากนั้นก็เลยไปหาฤาษีฤาษีก็เห็นพญานาคมาพวกนาคเนี่ยนะเปิดเผยความลับของตนเองให้กับฤาษีฤาษีบอกว่าฤาษีจะปิดเป็นความลับให้ยังไงก็ปิดเป็นความลับเด็ดขาดฤาษีบอกว่าพญานาคเนี่ยก็ไว้ใจนี่ยแหะเพราะความไว้ใจ ภัยจึงตามมานะให้พวกเราฟังเอาไว้เพราะไว้ใจภัยจึงตามมาถ้าเราไปไว้ใจบุคคลคนผู้ใดใครผู้หนึ่งจากนั้นภัยก็ตามมาถึงตนเองได้เพราะว่าตัวเองเปิดเผยความรับจากนั้นพญานาคบอกว่าพญาคุฑมันโง่ตะกรมันจับตะกคอขึ้นไปเออมันก็ <c oughs> มันบินขึ้นไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะมัน พวกเรากินก้อนหินเข้าไปให้มันหนักทั้งเอาหางรัดก้อนหินอีกต่างหากให้มันหนักเพราะนั้นนาคจึ ง, ด, งดึงขึ้นไม่ได้แต่ถ้านาคฉลาดนะถ้าพยาคุดฉลาดนะถ้าคุดฉลาดไม่ต้องจับคอนะจับหางพอจับหางขึ้นมาเท่านั้นแหละก้อนหินจะไหลออกจากปากเนะออกจากปากห น, นักมีเท่าไหร่ดเหมือนกัน เออพอวัตยาพูดนะอย่าพูดให้ใครฟังนะท่านฤาษีนะอันนี้เป็นความลับของตระกูลนะพญานาคบอกฤาษีก็เออแต่นพัพญาขุดมาทีพาขุดมา ไ, มไปไงท่านฤาษีได้ถามแล้วยังถามแล้วออพอถามไปไงเล่ยโอ้ยเขาว่าไปจับคอนมันลากไปขึ้นแล้วพอะเขากืนหินกืนหินเขาไปในท้อง ถ้าจะจับต้องจับหางสิลากขึ้นมาเลยนั่นแหละเซตโอ้พญากคตก็บอกว่าโอ้นาคนี่โง่มากเปิดเผยความลับของตนให้กับคนอื่นเขาเอาเถอะเดี๋ยวนาคจะเห็นฤทธิ์ในวันนี้แล้วพอพญากคตออกจากฤาษีเท่านั้นแหละก็ไปตรงที่เมืองพญานาคกลางมหาสมุทรเลยกับพืีกีกยางวาเลยพ พัดพัดน้ําทะเลมืนก็แวกแหวกแว ก, แว ก, แวกเหมือนกับเราใช้ของแรงแรงใช้นั้นพัดลมพัดน้ำนํำน้ําก็เป็นช่องลงไปฝนจะลงไปพญานาคก็คิดสู้อีกอย่างเก่าเนี่ยคิดสู้อย่างเกานะเ่ า, เ, กาเอาหัวขึ้นมา ท, ที่จะสู้กับพญาครดพญาครดทั้งที่จะจับคอเถอะนะจับหางนาคเถอนะพอจับหางนาคลากขึ้นมาเท่านั้นแหละก้อนหินไหลออกจากปากนาคทั้งหมดเลย เพราะมันทางปากมันมีรูเด้มีรูกว้างกว่าเด้จากนั้นพญานากับลำลำพึงระพันโอ้ภัยวิบัติที่เกิดกับข้าพเจ้าในครั้งนี้เพราะข้าพเจ้าเปิดเผยความลับของตระกูลให้แก่ลือีกุลือศีคิดว่าจะปิดเป็นความลับลือศีนี่กับเปิดเผยเราที่ให้เป็นความลับกับศัตรูของข้าพเจ้าเนาะข้าพเจ้าคง เป็นอาหารของพยาคุดและคราวนี่ไหมฮะพยาคุดได้ยินพูดนาคพูดบอกเอ้ยนาคเธอมันโง่ ท, ทําไมจะไปหาพูดให้ความลับตัวเองให้จะไปพูดให้คนอื่นฟังต่อไปนะเนี่ยถ้าท่านเป็นอย่างนี้ตายนะโอ้ยขอชีวิต in, in อินชีไว้ด้วยเถินพยาพยาคุดไหอ่าท่านเอพยาคุดก็เออเอาเป็นปะไปด้วยกัน ก็เลยออกมาก็เลยแปลงตัวเป็นมนุษย์แต่นี้ก่อนเดี๋ยวผมไปทําไปถามฤๅษีออกก่อนฤๅษีเนี่ยอบอกความลับจริงไหมพญานุคุณประวัติฤๅษีบอกความลับให้ข้าแต่นี้พญานาคก็บอกว่าไปทวงไปทวงสัจจะจากฤๅษีเนี่ยผมให้สัจจะกับท่านแล้วว่าท่านอย่าพูดเปิดเผยความลับนะท่านเปิดเผยไหม ทำพอเนี่นก็เดินเข้าไปพยาคุดบอกโอ้วันนี้หนกักหนักคงจะฆ่าฤาษีแน่หนักคงจะฆ่าฤาษีพยาคุดก็ไม่เข้าไปแหละอยู่ข้างนอกอพอได้ความลับจากฤาษีแล้วหนักก็เลยเข้าไปคนเดียว เ, เข้าไปตัวเดียวเว่าท่านฤาษีที่ผมพูดว่าท่านต้องรักษาความลับของข้าพเจ้านะพร้อมตระกูลนะ ท่านได้รักษาไหมทางฤาษีเนี่ยก็เป็นผู้มีสินใช่ไมอุ๊ว่อุถ้าจะพูดความจริงก็ไม่ได้ทเทไงเพราะว่าตัวเองได้เปิดเผยความลับของนาคจริงๆแต่ได้รับคำจริงว่าอย่าเปิดเผยนะคนเาเนี้ยแต่ฤาษีีมองเห็นว่าไม่เห็นจะมีอะไรไม่เห็นจะมีอะไรแต่ตา ม, มาจริงมันมันมีอะไรเทไงมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยความลับตัวนี้ ทัางพญานาคก็บอกว่าท่านฤาษีท่านไม่รักษาความลับที่ผมให้สัจจะกับท่านเอาไว้ด้วยสัจจะปาจาของข้าพเจ้าถ้าท่านฤาษีได้เปิดความลับท่านเปิดเผยความลับที่ท่านไม่รักษาสัจจะให้ศีรษะของท่านแตกเป็นเจ็ดภาคในขณะ น, นี้พอพูดพญานาคพูดเจ็ดพูดจบคำและนะ้วไ ศีรษะของฤาษีก็แตกปั้งออกเป็นเจ็ดภาคเลยฤาษีนั่นก็เลยตายนี่แหละนิทานหรือชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในตัวอยู่แล้วนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทั้งหลายให้สำรวมปากถึงจะเป็นปากถึงจะเป็นลมก็จริงแต่เป็นพิษเป็นภัยทําให้ตัวเองตายทําให้ตระกูลเดือดร้อนจิบหายวายปวงได้เพราะเหตุไดเพราะ ไม่ส้ำรวมปากน่แหละปากนี่เป็นสำคัญนะปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตาคนโบราณเ็าให้สุภาษิตไว้ถ้าเราถ้าพูดดีเป็นสีแก่ปากถ้าพูดมากเขาตบปากปากแกเลือดออกออกเป็นสีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวังนะ นี่ยและหลวงพ่อไปพูดแต่ไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกไปเทศแต่ให้หลวงพ่อว่าให้ระ ว, วังปาก เ, เพราะว่าพวกเราท่านทั้งหลายถ้าเปิดเผยและบอกปากออกมาเนี่ยทำให้เสียหายวงการทุกวงการไม่ว่าวงการสงไม่ว่าวงการขรรจการไม่ว่าวงการครอบครัวไม่ว่าวงการวัดไม่ว่าวงการสงวงการไหนก็เถอะถ้ามีอะไรพูดพรามพรามไปเรื่อยไม่ซ้ำรวมปาก ไม่ไม่ระมัดระวังในวาจาของตอนเองเนี่ยทำให้ตนเองบงการเดือดร้อนได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะให้พระรากสัต ย, ยาญาดโยมลูกหลานฟังเอาไว้นะนิทานอย่างนี้หาฟังระยะนะลูกหลานนะ <c oughs> มีแต่หลวงพ่ออินผู้ชาญถกผู้นิทานให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอาตอนนี้ไปลพนนะพรนเตตนอนโมตนาให้พร